พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่2มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าคิดต่างจากโลกวันนี้เป็นวันที่2 มิถุนายนพุทธศักราช2559แต่วันพุ่งนี้จะมีการบวชพระสององค์กวันก่อนกับเมื่อวานมีนาเข้ามาด็อกเตอร์สองทางสองด็อกเตอร์หลวงพ่อก็บอกถ้าหากว่าท่องเอสหางได้เร็ว หลวงพ่อก็จะให้บวชได้เพราะเรามีเวลาจำกัดแต่ถ้าท่องเอสาหังมายังไม่ได้เอารอไปก่อนสัก2 3 4สสี่ห้าวันคือตามปกติหลวงพ่อจะให้อยู่วัดประมาณ7วันเพื่อท่องเอสาหังกับปรับตัวปรับกายป ร, ปรับใจให้กับเข้ากับภูมิสถานที่ เพราะว่ากฎระเบียบการเป็นอยู่ของพระมันมีเป็นกฎระเบียบหนึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาบวชมันต้องเข้ามาเรียนรู้ใ น, ในกฎระเบียบหนึ่งเพราะมันไม่ใช่อยู่ในโลกแต่ก็ไม่เหมือนอยู่ในโลกเหมือนกับทหารอยู่กับอยู่ในอยู่ในโลกในอยู่ในประเทศแต่มันกฎทหาร อันนี้ก็คือกฎของพุทธศาสนากฎของพุทธอมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเป็นอย่างของหลวงพ่อถ้าเป็นกฎของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะโยนไปหมดนะพอใครเข้ามาแต่ในหลวงพ่อก็เคารพในกฎกติกาของพุทธเหมือนกันถ้าว่าถาใครท่านผู้ใดท่องเอสาหังไม่ได้ท่องไม่ถูกอัอกขระ หลวงพ่อจะยุ่นก็ไม่ได้เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพุทธศาสนาเป็นของทุกคนทุกคนก็ต้องให้ความเคารพในกฎกติกาของพระพุทธศาสนาแต่บางแห่งทําไมบวชได้อั น, นั้นก็คือมันเป็นบางกลุ่มบางหมู่บางคณะท่านไม่ให้ความ สำคัญก็เป็นของชุมชนกลุ่มนั้นแต่สำหรับเราสำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ความเคารพในกฎกติกาของพุทธที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรเราอ่านดูในตำรับตำราหรือเศึกษาจากครูบาอาจารย์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยึดตามแนวแถวนั้น ท่านก็บอกว่าอย่าอย่าทาสุ่ม 4, สีุ่่มห้านะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธทเจ้าถ้าบวชเข้ามาแล้วคนที่บวชเข้ามาอยู่ต่อไปภายภาคหน้าก็ไม่ภาคภูมิใจเพราะว่าครูบาอาจารย์แบบไม่อยู่ในะกฎอยู่ในระเบียด ม, มีอะไรกัแบบสุกเอาเผากินแบบง่าย แบบไม่อยู่ในกฎระเบียบผู้ที่เข้ามาบวชอยู่ต่อไปภายภาคหน้าก็ไม่ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นให้ผู้ที่เขามาจึงให้ดูให้เข้าอยู่ในกฎระเบียบตามหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นต้องยุ่งยากน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรพอบวชเข้ามาแล้วก็เราก็ภาคภูมิใจในการบวชของเราว่าบวชบวชถูกต้องตามกฎระเบียบ ตามหลักธรรมวินัยตามอริยะปปเพณีตามครูบาอาจารย์ที่เป็นที่สบายใจทั้งท่านทั้งเรานะแต่เมื่องบวชเข้ามาแล้วก่อนนั้นตะ อ, อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมวินัยของพุทธะในหลวงพ่ออยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่ออย่างที่ว่าหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะ ย, ยุ่นแหละเอ้า ขนาดได้ขนาดแต่งพ่อแต่พ่ออยากจะบวชเอาว่าตามหลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่านะถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งบวชนะแต่ถ้าหกว่าเป็นผู้ที่จะบวชเข้าม า, าไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ือว่าอย่างที่นาคที่จะบวชวันพรุ่งนี้นะ่ะอันนี้คือจะบวชตลอดไปไม่มีกาหนด อันนี้หลวงพ่ออยู่ให้อยู่เป็นเดือนนะก็นักัตยายาดโฉมโลูกหลานนะเออเป็นอยู่เป็นห ล, หลายเดือนก็ได้ฝึกหัดไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยเมื่อพร้อมมาแล้วก็ยังค่อยบวชให้เราถือนาําตามแนวแถวหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านจะให้มาอยู่วัดเป็นปีซะก่อนนะเนี่ยเป็นปีหลายเดือน เพื่อให้ปรับปรุงทำทางเดินยักลมเดินยักลมไปรีบทําไมครูบาอาจารย์ท่านวันรีบไปทําไมเป็นตาพระขาวก็ภาวนาได้นี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็ภาวนาได้เป็นตบะขาวภาวนากับพ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นเราเป็นตาพะขาวก็ภาวนาได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนไปที่ไหนเมื่อพร้อมอะไรค่อยบวชเราก็ให้ศึกษาดู เราอยู่ได้ไหมครูบาอาจารย์แคได้ดูเราว่ากิริยามารยาทอย่างนี้จะอยู่เป็นพระได้ไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่และองคอ์ที่เป็นสิทธิอนสิทธิของครูบาอาจารย์ท่านมองกันลูกศิษย์ก็มองอาจารย์อาจารย์ก็มองลูกศิษย์น ะ, ะต่างคนก็ต้องสืบสอบกันโดยการเวลานะ การเวลาหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะตาหอเป็นผู้จริงจังบวชพ่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้จริงจังจริงจริงทีนี้พ่อหลายเพราะเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในครูบาอาจารย์เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาพ่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้ใส่ใจจริงจังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจึงเป็นครูบาอาจารย์ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้กราบได้ไว่ายตามประวัติของท่านเป็นอย่างนั้นนะคณะสัตยาญาณโยมเป็นต่างภูเขาวมาก่อนอันนั้นก็คือท่านมีเวลาสรุปก็คือท่านมีเวลาแต่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการแต่อยากจะเข้ามาบวชหรือว่ามีหน้าที่การงานอยู่แล้วแต่ปลี่ตัวออกมาบวชจุดนี้แหละเป็นจุดที่พวกเราจะต้องได้คิดถึงจะรีบเร่งรีบด่วนขนาดไหน เราก็ต้องอยู่ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นเบื้องแรกเบื้องต้นซะก่อนแต่ถ้าววาไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเข้ามาแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะ ม, มันไม่ภาคภูมิใจพอเราเหยียบย่ำหลักพระธรรมคำสอนของพุทธบวชเข้ามาแล้วก็ไม่สบายใจบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบวช ท, ทั้งทีนะแต่การบวชก็ตั้งอกตั้งใจบวช เมื่อบวชกมาแล้วก็ศึกษาศึกษาเพราะแนวทางนี่แนวทางของพุทธะเลยพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนะวันเดือนหเพนเมื่อได้ท่านตัดสรู้แล้วนะท่านก็ได้เสวยไปเสวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่างๆทีละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวัน ที่ตุนโอตุอนน้โครดตุนเกรดที่สัมุทจรินที่ไหนๆในละแวกนั้นแะไปนั่งคัดสามาีิสวยวิมุตติสุขจนถึง เ, เป็นเดือนกว่านะตรงๆแล้วที่ละเจ็ดวันเจ็ดวันท่านของทมที่เราได้มาเนี่ยเป็นธรรมที่ทวนกระแสโลกโลกของเขานี่คิดอย่างหนึ่ง แต่เราที่ได้มาเนี่ยมันทวนกระแสรเราจะไปสอนให้เขาเนี่ยได้อย่างไงฮะวิตกกังวล น, นะพระพุทธเจ้าน ะ, ะขณะได้ตัดสรู้แนละ้วท่านอย่างวิตกกังวลเพราะทำรรที่เราได้มาเนี่ยเป็นกระแสของโลกเราเขาคิดอีกแนวหนึ่งแต่ทำรรที่เราได้เนี่ยมันมันอีกแนวหนึ่งเราจะไปสอนเขาทวนกระแส เ, เขาจะเชื่อเราไหมนี่ ถ้าเขาไม่เชื่อเราเน่ยก็เปล่าประโยชน์เหนื่อยเปล่ า, เ, าเราไม่ควรจะสอนเขาเพราะมันเป็นการทวนกระแสเขาคงไม่เชื่อที่เราจะสอนเนี่ยเพราะองค์ก็น้อยอคล้ายๆกับว่าขนขวายน้อยอคล้ายๆไม่อยากจะสอนละ่ะจากปรินิพานไปเลยให้เขาว่าวางขัน เ, เพราะว่า พระพุทธเจ้าก็ดีพระอราหันตสาวกก็ดีในเมื่อท่านจะวางขันเนี่ยท่านจะวางทันทีเลยท่านเข้าสู่นิพพานเลยก็ขันก็หมดสภาพไปตามสภาพของมันพระฒนยใจของท่านความบริสุทธิ์ของท่นออกจากร่างเข้าสู่ น, นิพพานร่างกายก็หมดสภาพอันนี้คือท่านเข้าสู่ น, นิพพานท่านไม่ไม่ยากเหมือนพวกเราเป็นปุถุชนทั้งหลาย ผู้ตุชนทั้งหลายก่อนที่จะตายเนี่ยไม่อยากตายเนีเไม่รู้ยาอะไรต่อมิอะไรอิลุงตุงนั่งสายไหนต่อสายไหนเข้ามายังกระเสือกระสนอีกอยังบ่นเ พ, ออเอเพ้ออีกเพราะไรเพราะยังติดอยู่ในโลกวัตะสงสารแต่ท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นเขาแดนพระนิพพานแล้วนะท่านไม่ห่วงหาอะไรนิเทงภาชนะดินนะ ทิงภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำอ่านี่แหละภาชนะทองคำคือพระหรันภาชนะดินคือร่างกายสังขารที่เป็นอยู่ในโลกเนี่ยภาชนะดินนี่แหละพระพุทธองค์ท่านได้ตัดรู้แล้วท่านก็มองดูว่าโลกเป็นการมาทวนกระแสะโลกท่านจึงได้มีพรมเทวบทุตรเทวดาบอกกล่าวกันเป็นขั้นตอนบอกสิทธะพระพุทธเจ้า ได้ตัดรู้แล้วเป็นผู้ขนขวายน้อยแล้วไม่อยากจะสอนโลกพ่อมองดูแล้วโลกสัพสัตทั้งหลายมองอีกมุมหนึ่งแต่ทำคำสอนของพุท ธ, ธะนี่มองอีกมุมหนึ่งมันคนคนละแนวทางกันคนละแนวความคิดกันเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึง ม, มีความขนขวายน้อยเทวดาก็บอกต่อกันอพอรู้วาลาจิตของพระพุทธเจ้าจึงได้ถึงพยาพลม พรมที่เป็นใหญ่กว่าเทวดาได้ลงมาแพร้อมกับเทวดาในจักรวาลได้กลับมากราบบรรนาพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมสรพรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกภู้มีกิเลสเบาบางมีอยู่ออมีกิเลสทุลีเบาบางในจิตใจมีอยูออ่ขอพระองค์โปรดในคนจํานวนนั้นเถิดแต่คนที่มีกิเลส หนาปัญญาหยาบทั้งหลายก็มีเหมือนกัดกบัวซีเหล่าเหล่าหนึ่งก็จะพ้นน้ําอยู่แล้วพอได้แสงสว่างจากพระอาทิตยตก็บานรับได้แต่จํานวนตัวมา ก, ก็ต้องใช้เวลาในการแนะนําสั่งสอนก็จะได้ดอก บ, ว, บวนก็โผล่น้ําขึ้นมาแต่กลุ่มหนึ่งต้องใช้เวลามากแต่บางแต่อีกกลุ่มหนึ่ง มันอยู่ในอยู่ในเง่าบัวมันโผล่ขึ้นมาอันนั้นเป็นอาหารของปลาและเตา่าบางทีก็ขึ้นมาได้บางทีก็เออเป็นอาหารของปลาและเตา่ากิเลสโลภโกรธหลงกินหมดอันนั้นก็มีนี่แหละผมอรัตนาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็มองดูอืมเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเออไม่ใช่เทวดามาจากไหนเพราะนั้นเรา ควรจะใช้แนวความรู้ของเราเนี่แหละแนะนำสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งโลกผู้มีทุลีกิเลสเบาบางมีอยู่คงจะมีอยูออ่จากนั้นพระองค์ก็เลยพรหมอราตนาพหมมาจาโลกาติปฏิสหมปฏินะี่ยนี่แหละพรหมอรันาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับอราตนาพรหมจากนั้นก็มีพระไตรมีแก่จิตใจที่จะสอน แนะนำสั่งสอนสัตวโลกนะจากนั้นท่านก็มองมองดูเราจะไปสอนใครก่อนเราจะไปสอนใครหนอนะท่านก็นลื่อกละเลึกถึงด า, าราบทอุตการาบทคือลือศีที่อยู่ใกล้ใในรลกแวกนั้นที่ท่านได้เข้าไปเรียนเข้าไปศึกษากับลือศีแต่พอรู้ว่าลือศีทั้งสองท่านนะั่นถ้าวัาดเลรับทำคำสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยคือท่านเหล่านั้นเก่งสมาธิ สมาธิของท่านแม่นมากจิตใจของท่านน่แม่นเรื่องสมาธิแต่ขาดปัญญาปัญญาวิปัสสนาในขาดถ้าเราไปต่อเติมยอดให้ด่าตาบททั้งสองนั้นท่านก็จ ะ, จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม เ, เพราะว่าจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่เราจะสอน เ, ออเรื่องแนวความคิดหรือวิปัสสนาให้หรือสีนั้นแต่โอ้หน้าเสียดาย หรือสีทั้งสองนั้นตายไปเสีแล้วมันหวานมันกอนแล้วก็เข้าไปขึ้นไปสู่พรหมแล้วนะเทวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเทวดานะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตามไปสอนถึงพรหมไหมพอตายไปแล้วก็คือจบไปจากนั้นพระองค์ก็มองไปเราจะสอนใครหนาะเป็นคนต่อไปเป็นกลุ่มต่อไปท่านก็มองเห็นปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ปล น, นิบัติท่านพอผล น, นิบัติท่านก็เห็นว่าท่าน ย้อนความเพียนเวียนมาเป็นคนมากๆในช่วงที่ท่านสู้อดปักยอาหารตั้งสี่สิบเก้าวันอดตั้งสี่สิบเก้าวันปันจวักคีตั้งห้าที่นั่งอยู่รอบๆข้างเฟทีเออเอาละขาานี้สิทธิษฐาของเราสู้เต็มที่แล้วาวานี่แหละจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลคือนั่งตาไม่กระพริบพบอวันดีคืนดีมาสิท ธ, ธิษฐาโอไม่ใช่ไม่ใช่ทาง เราบําเพ็ญมานี่ยมันเป็นอัตตะกิฬามัถธามันทําลายร่างกายให้ลําบากเปล่าไม่ใช่โหนทางนะท่านรู้แก่ใจของท่านใช่ไหมท่านจะไปบอกท่านเป็นเจ้าวิีทั้งหรู้ได้หมดทุกอย่างได้อย่างง่ายคำในใจของท่านใช่ไหมคาในใจในพรัทัยของท่านมันอยู่ในพรัทัยของท่านนะท่านทําผิดหรือท่านทําถูกเนะี่ยท่านก็รู้จจไม่ใช่ล่ะอันนี้เป็นการทรมานร่างกายร่างกายถึงทรมานอย่างไง มันก็เป็นร่างกายมันไม่ใช่จุดของมันเก่าไม่ถูกที่คันนะพูดง่ายๆ่ายเก่าไม่ถูกที่คันแนละ้วเราไปเก่าร่างกายมันไม่ถูก เ, เราต้องกลับมาสวยพกยาหารอกนะีกเพอเกือบมาสวยพกยาหารน่ะปัญจะวะคีทั้งห้าจู่ข้างข้างรอบเวทีเนะโอ้ยลูกพี่ของเราเนะี่ยขายลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วไม่ได้สําเร็จหรอกไปเราพวกเรานี้ นี่แหละตอนที่ปัญจวคีย่างหานหนีจากสิท ธ, ธะที่กำลังบำเพ็ญพอตอยู่นั้นน่ะตะกอนก็เป็นปนนิบัตร<ม>ิรับใช้ทุกอย่างเพราะเป็นเสนาอมาตย์ของกลุงกบิลพัทมาจากตระกูลเป็นลูกน้องบริวารของพระเจ้าจุดโทธน ะ, นะจากนั้นจิตพวกนั้นก็ห น, นีออกไปหนีออกไปพระพุทธเจ้าก็มาเดีวิตกกังวลเพราะท่านบาเพ็ญ มันท่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรอยู่แล้วท่านก็บําเพ็ญของท่านแบบอยู่ตามลําพังเถอนี่ยยิ่งสงบสงัดอีกต่างหากแต่ไม่มีใครพกผ่านพุ่นวายไม่อยู่ในสายหูสายตาในละแวกนั้นอีกเห็นอยู่ตามลําพังยิ่งสงบนะไม่มีใครนะพระองค์ก็บําเพ็ญทั้งจิตทางจิตคือทางจิตคือทางใจคือตัวผู้รู้เถอนี่ยแต่ก่อนนะคือบําเพ็ญทรมานกายใช่ไหมเออ ทรมานกายอบอดภรรยาหารทัก 4.9 วันเผอมโกกเลยจากนั้นท่านก็บำเพ็ญทางด้านจิตใจท่านบำเพ็ญท่านจิตใจคือท่านระลึกถึงว่ามสมัยเราเป็นกุมารเป็นเด็กเราได้ภาวนาที่โคนต้นว่าไปเรียกแรกนาขวัญกับพระบิดาสมัยนั้นเราได้นั่งสมาธิจิตใจของเราได้รับความสงบ เ, เกิดยาทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษเรากําหนดลมหายใจเข้า รัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนั้นกำลังจะเป็นหนทางไนะท่านก็ย้อนไปถึงสมัยท่านเป็นเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กแต่ทาไมสมัยเป็นเด็กท่านจึงได้ทำอย่างนั้นเพออราะอดีตแต่ชาติของท่านเคยเป็นลือศีชีพัยเคยบำเพ็ญมาแล้วติดพบติดชาติมาแล้ ว, ลวกี่ร้อยกี่พนันกี่หมื่นกี่แสนชาตินะ เพะนันอุปนิสัยตัวนั้นอะติดติดจิตติดใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการบำเพ็ญคุณงามความดีที่ละเล็กทีละน้อยมันก็ติดเป็นอุปนิสัยนะถ้าทําความชั่วก็เหมือนกันเถอะถ้าทําความชั่วความชั่วนี่ติดเป็นอุปนิสัยอีกเหมือนกันคนเคยชอบดา่าคนคอยอิจฉาคนคนเคยพยาบาทอาฆาตจองเวนกับใครนั่นอะความกิเลสตอนนั้นมันจะเข้ามาเป็นอุปนิสัยอีกเหมือนกัน เพราะนั้ิสัยไม่ดีอที่ว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วให้ละมันออกคะให้คิดดีทดําดีพูดดีจึงนั้นนี่แหละอันนี้พระพุทธองค์ก่อนได้บำเพ็ญ น, นึกนึกย้อนไปถึงกุ ม, มารจากนั้นพระองค์ก็เดยนั่งคัดสมาธิที่โคลนต้นโพนะในวันเดือนหกเพนจากนั้นก็ได้บำเพ็ญกําหนดลมหายใจเข้าออกอ่ะนี่แหละ จากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้พูดอย่างโลภรัตนะให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นแนวทางเป็นแนวความคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความคิดอย่างไรที่ท่านได้ตัดสรู้นั้นท่านบอกว่าออมนุษย์โลกทั้งหลายเห็นว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงาม อ, อน้าพอใจออยศถาบรรดาศักว์ทั้งหลายเป็นที่พอใจ เต่พระพุทธเจ้าท่านนั่งคัดสมาที่ในวันนั้นท่านหว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายท่านจะต้องแปรสภาพเนีอ่ออกจาก เ, เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายพอตายไปแล้วก็นนะ่ยร่างกายแปรสภาพไปสู่ดินน้ำลมไฟเป็นกระดูกสิ่งที่เป็นศพของแขนก็เป็นกระดูกเที่เป็นเลือดเป็นเ อ, อ น้ำก็ไปสู่น้ำส่วนาธาตุไฟก็ไปสู่ไฟส่วนาธาตุลมลมหายใจเขาออกกับเขาเสื่อมก็ไปหากลุ่มลมเพราะนั้นร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของจิรังถาบอนอีกซักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะจะต้องแตกตายสลายหลงสู่ดินน้ำลมไฟขนาดร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างอื่นละ่ะก อ, องที่เกี่ยวข้องกับเราละ่ะ ญาติพี่น้องละสามีภรรยาเงินคำทรัพย์สมบัติล่ะเลือกสวนไล่นาล่ะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้ว่ า, าสิ่งอื่นเป็นของเราสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นพระ อ, องค์ก็วางพระไทย ใจของพระองค์ก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือปล่อยวางที่ใจนี่แหละพอจากนั้นท่านก็ท้อพระทัยเล ย, เยโลกของเขาเนี่ยเขาต้องลิกติดในลาบในยศในสรรเสริญในร่างกายว่าเป็นของของเขาเแต่เราเน่ยมันไม่ใช่ของของเราเนียเราจะไปสอนเขาได้อย่างไรนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านท้อพระทัยในจุดนี้นะอ่ท่านจึงเป็นผู้ขนขวายน้อยนะ ไม่อยากจะสั่งสอนสรพสัตในโลกสอนไปก็คงจะลําบากเปลา่าคงจะไม่ได้ผลเพราะเราสอนอย่างหนึ่งตันไปแน่เหมือนกับมัดขากบใส่ขาหนูอย่างนั้นแหละกรบเขาจะกระโดดลงน้ําหนูจะจะปีนขึ้นบกขยักขยือ้อขยักขยื้อย่างนั้นท่านก็คงคิดอย่างนั้นแ่ะแต่ตอนนี้โพรมอร า, าัตน์นาโพรมผู้มีทุลีน้อยมีอยู่ จากนั้นท่านี่มองเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านก็ไปสอนพ่อจอก็ได้ผลปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้สําเร็จพระอรหันต์ที่ท่านแสดงเรื่องธรรมาจักกับประวัตนสูตรแล้วก็อนัตตลกนัสูตรจากนั้นท่านก็ไปโปรดสดินสามพี่น้องอีกอทิตฐปริยายสูตรตาไปเห็นลูก เ, เกิดไฟขึ้นมาเกิดราคะถ้าเกิดความรักก็เกิดราคะ ถ้าเกิดมาความไม่พอใจก็เกิดโทสะเะพราะมันหลงเสก่อนมันยังเกิดราคะโทสะโมหะอะหูได้ยินเสียงกับ ม, มันกันเอไล่ไปตาหูจมูกลิ่นกายท่านไล่ไปเรื่อยอกลายเป็นราคะกลายเป็นโทสะเป็นไฟลักลักกินาโทสกินาโมหกกินาเนี่ยนี่แหละจากนั้นพวกก็ได้สอนธรรมะให้กับพี่น้องประชาชน วังพระธรรมคําสอนมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่เขามาบวชในพุทธศาสนาอย่าให้สอนอย่างที่พวกเราได้เรียนได้ศึกษามันไม่ใช่มันเป็นแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งของพุทธศาสนาเป็นความคิดที่จะถอดถอนกิเลสถอดถอนใจออกจากหลุมลึกคือกิเลสราคะโทสะโมหะให้มองอีกมุมหนึ่งมองโลกอีกมุมหนึ่งมองธรรมอีกมุมหนึ่ง จะถอนตนยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพานิพานมองเป็นอนัตตาทั้งหมดสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่เที่ยงอันไหนไปเที่ยงหลังกายไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติไม่เที่ยงยศท้าบรรดาศักดิ์ไม่เที่ยงเงินคำทรัพย์สมบัติไม่เที่ยงพ่อแม่พี่น้อง ล, ลูกหลานเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแปรปรวนแปรสภาพสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเราถ้าเราไปยึดก็เป็นทุกข์ เมื่อใจเป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นทุกข์จะเป็นเราได้ยังไงไม่ใช่ตัวตนของเราจิตที่มันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นที่ใจเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพุทธเป็นยังนั้นะอนณะทาญาติโยมลกหลานอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวแถวความคิดของพุทธนะไม่ใช่เป็นแนวแถวความคิดของทางโลกวิคชาในโลกเนี่ มีแต่เดินไปข้างหน้าไปกด ล, ละขแขนงขแขนงแพทย์ไปขแขนงหนึ่งวิทยาศาสตร์ไปขแขนงหนึ่งกเกษตรไปขแขนงหนึ่งหมอไปขแขนงหนึ่งแต่ละขแขนงแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เดินไปตามขแขนงนั้นย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจตัวผู้รู้นี่แหละไปเดินตามขแขนงต่างๆมันออกไปจากนี้ทั้ง เมื่อเดินเข้ามาหาจุดนี้ปล่อยวางที่จุดนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จุดนี้ท่านจะได้ตัดรู้ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละมันต่างกันจุดนี้นะอาราธายาตโยมลูกหลานทุกคนให้ฟังเอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ย อ, อมันต่างกับทางโลกอยู่มากทีเดียวหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวเลยแต่เราได้ศึกษาแล้วนะ อ, อแต่ว่าพุทธศาสนาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่น เดินต่อตรงต่อพระนิพพานนะต่อในป้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอละพอเนี่ีนนะ